ฝึกกรรมฐานเนี่ยเบื้องต้นจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้มันไม่สาคัญที่รูปแบบหรอกมันสาคัญที่เนื้อหารูปแบบจะสวยหรือรูปแบบไม่สวยนะมันแค่บรรจุพัธุ์ถ้าเราไม่ได้ทำสินค้าไว้ขายโฆษณาเนี่ยรูปแบบเป็นเรื่องรองเนื้อหาสาระที่แท้จริงของการปฏิบัตินั้นสำคัญที่สุดการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติเพื่ออะไร อันแรกเลยเราต้องปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถ้าอะไรเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นจะได้พระโสดาบันเพราะพระโสดาบันคือผู้ที่รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติกรรมฐานแบบใดถ้าถูกต้องเนี่ยจะต้องเป็นการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นเนี่ย เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ความจริงด้วยไม่ใช่เรียนรู้สิ่งที่เหนือความจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นกรรมฐานจริงๆที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ย <c oughs> เพื่อให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถ้าไปเห็นกายเห็นใจแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจใช้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ การรู้กายรู้ใจรู้ด้วยสติการเห็นกายเห็นใจเป็นใรลักษ์รู้ด้วยปัญญา<น>เครื่องมือก็คือสติกับปัญญาเนี่ยกรรมาฐานจะใช้รูปแบบอะไรไม่สำคัญหรอกต้องฝึกให้มันมีสติมีปัญญาขึ้นมาให้ได้ถ้าขาดสติขาดปัญญาก็ไร้สาระและใช้ไม่ได้นี่พวกเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเรามักจะมีแต่สติไม่มีปัญญาทีนี้ต้อง ทำใจกว้างๆนะบางทีฟังหลวงพ่อแล้วสแสลงหูสแสลงใจในความเป็นจริงคือเราฝึกแล้วเราไม่กจะมีแต่สติไม่มีปัญญาเช่นเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสติเราจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยแต่ไม่มีปัญญาจับนิ่งๆอยู่กับลมหลายคนดูท้องพองยุบสติจับอยู่ที่ท้องไม่เคลื่อนไปไหนเลยนิ่งๆอยู่ที่ท้องก็เห็นแต่ท้องพองท้องยุบอยู่นั่นเอง ไม่มีปัญญาไม่เห็นมีใจรักตรงไหนเลยบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าสติแนบอยู่ที่เท้าสติเพ่งจอ่อนิ่งๆอยู่กับเท้าเท้าจะยกเท้าจะย่างเท้าจะเหยียบอะไรนี้รู้หมดเลยแต่สติแนบอยู่ที่เท้าอันนี้ก็จะไม่มีปัญญามัมีแต่สติอย่างเดียวขาดปัญญาเนี่ยสิ่งที่ได้นะคือสมถะ ถ้าไม่เห็นใจรักนะเห็นกายเห็นใจจริงแต่ว่าไม่เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานทั้งหมดเลยพวกเราอย่านึกว่าแค่รู้กายรู้ใจแล้วก็เป็นวิปัสนาไม่เป็นหรอกวิปัสนาจริงๆไม่ใช่การรู้กายรู้ใจวิปัสนาจริงๆคือการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจต้องชัดเจนขนาดนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าวิปัสนาทําไปเพื่อถอนความเห็นผิดเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรา ถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราละความเห็นผิดได้ลำพังเห็นกายเห็นใจแล้วก็ทื่อๆนิ่งๆทื่อๆอยู่นะสามวันสามคืนหรือทาสมาบัตินิ่งไม่กระดุกกระดิกไม่กินข้าวอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะี้มันไม่มีปัญญามันไม่สามารถถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ฉะนั้นเราต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญา มีสติรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เป็นตัวเราบางคนเห็นว่ามันไม่เป็นตัวเราเพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นตัวเราเพราะมันเป็นทุกข์บางคนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันบังคับไม่ได้มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตา เพราะนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงอันใดอันหนึ่งย้ําคําว่าเพียงอันใดอันหนึ่งก็สามารถละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้นี่แล้วแต่บุคคลหน้าที่ของเราแค่มีสติรู้กายรู้ใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไปเรื่อยๆตรงที่อริยมรรคจะเกิดนั้นบางคนเกิดเพราะเห็นอนิจจังของกายของใจบางคนเห็นทุกข์ของกายของใจบางคนเห็นอนัตตาของกายของใจ แล้วก็ละความเห็นผิดว่ากายกัใจเป็นเรามีเราในกายในใจนี้มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ต้องรู้อย่างนี้นะรู้ไปหลวงพ่อขอวิจารณ์ตรงๆนะในฐานะพวกเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะด้วยกันเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันขอวิจารณ์ตรงๆว่าผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยมีแต่สติยังมากก็มีสติแต่ไม่มีปัญญา สังเกตง่ายๆเลยภาวนาไปนะสงบขึ้นมาเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่สงบขึ้นมาเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่ตลอดชีวิตทําได้แค่เนี้ได้แค่สงบแล้วก็ฟุง้งสงบแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆหรือยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งผิดมนุษย์ปกติยิ่งปฏิบัติก็ซึมซึมเสื่องเสื่องนะไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวผิดปกติถ้าปฏิบัติแล้วผิดปกติไม่ใช่ธรรมดาละไม่ถูกต้องละเพราะธรรมะเป็นเรื่องธรรมดา เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมดาของกายเพื่อให้เห็นธรรมดาของใจไม่ใช่ปฏิบัติจนกายก็ผิดธรรมดาใจก็ผิดธรรมดาหลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึง่งแปลงฟันนะกินข้าวเช้าแปลงฟันจนกระทั่งเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วยังแปลงฟันไม่เสร็จเลยนะซึมๆไปนะวันหนึ่งก็สติแตกนะเครียดเกินไป หลวงพ่อก่อนจะบวชนะ่ะหลวงพ่อเที่ยวตระเวนไปเยอะเลยว่าเอ้เราจะไปบวชที่ไหนดีหลวงพ่อศึกษามาจากครูบาอาจารย์วัดป่าเขาจรงิงแต่ไม่ได้ติดครูบาอาจารย์อย่างเรียนเริ่มต้นเรียนจากหลวงปู่ดูลก็จริงนะแต่ว่าก็ยังไปเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นๆอีกเยอะแยะหลายสิบองค์เที่ยวตะเวนไปศึกษาไปเรื่อยๆเราชอบเรียนรู้กรรมฐานอะไรที่มีชื่อเสียง ในประเทศนี้ไปเรียนมาเกือบหมด่ะเข้าไปดูแต่ละสำนักแต่ละสำนักเขาเรียนอะไรกันสิ่งที่พบในแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะก็คือผู้ปฏิบัติส่วนมากติดสมถะทั้งๆ ท, ที่บอกว่าทํามิปัสนานะแต่ติดสมถะยกตัวอย่างบางคนเดินจงกรมกำหนดรูปนามไปเรื่อยเดินจงกรมไปยกเท้าย่่งเท้ารู้นะเสร็จแล้วก็เกิดตัวลอยตัวเบาตัวโครงขึ้นมา เกิดขนลุกขนชันเกิดความรู้สึกเหมือนมแมลงมาไตา่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างรู้สึกเหมือนฟ้าแลบแบแบแบแบบแอันนั้นสอนกันบอกว่ามีมีปรัชนาญาณในความเป็นจริงไม่ใช่วิปัสชนาญาณวิปรัชนาญาณในชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายอาการทางร่างกายที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของปีติทั้งสิ้นมันเกิดจากการทําสมถะโดยที่ไม่รู้ตัวว่าทําสมถะอยู่ การที่เราเดินจงกรมแล้วจิตของเราแนบสติของเราแนบอยู่ที่เท้านะไม่เคลื่อนไปไหนเลยมันคือการเพ่งอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเป็นการทำสมถกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นทำสมถกรรมฐานเพ่งรูปไปเรื่อยเช่นเพ่งลมหายใจ เพ่งท้องพองยุบเพ่งเท้าเวลาเดินจงกมรมเพ่งมือนะขยับมือรวมความแล้วก็คือเพ่งได้ทั้งนั้นเลยทํากรรมฐานอะไรก็มาเพ่งได้ทั้งนั้นเลยถ้าลงไปเพ่งตัวอารมณ์เมื่อไหร่นะก็เป็นอารามณูปนิชฌานมันคือการทําสมถกรรมฐานเพ่งแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโคลงขนลุกขนชันอะไรเงี้ยทาสมถะจิตสงบขึ้นมาช่วงหนึ่งก็ฟุ้งขึ้นมาอีกพราสมถะเอาเป็นที่พึ่งอะไรที่แท้จริงไม่ได้หรอก หรือเข้าสมาธิได้เข้าสมาบัติหลายหลายวันออกมากิเลสก็ฟุ้งขึ้นมาได้อีกละกิเลนไม่ได้จริงไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆนี่เที่ยวไปดูๆนะเจออย่างนี้เยอะมากเลยหลวงพ่อก็ามาพิจารณาว่าอะไรทําให้พวกเราผู้ปฏิบัติที่อยากพ้นทุกข์อยากทําวิปัสสนาพยายามรู้รูปรู้นามเนี่ยไม่เกิดปัญญาเห็นใจลักษณ์ของรูปนาม หลวงพ่อก็พบว่ามันมีเงื่อนไขที่สําคัญอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดปัญญาคือสัมมาสมาธิในพระพิธรรมสอนไว้นะเนี่ยมาอ่านเจอทีหลังมาบวชแล้วถึงได้ไปอ่านว่างๆแล้วไปอ่านอภิธรรมถึงเจอพระพิธรรมสอนไว้ชัดเจนเลยบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสัมมาสมาธิสัอย่างเดียวปัญญาจะไม่เกิดเกิดแต่สติเอาสติกําหนดกายกําหนดใจ กำหนดเวทนานะกำหนดลมหายใจกำหนดท้องพองยุบกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดกายทั้งกายกำหนดลงไปกำหนดลงไปนะมันได้แต่สติมันไม่มีสัมมาสมาธิพวกเราหลายคนดูถูกสัมมาสมาธิค่อนข้างดูถูกนะกรรมฐ า, านรุ่นหลังๆเว้นแต่สายวัดป่ากับสายท่านปุริเง่าท่านเคริกง่ายังฝึกสมาธิ หรือสายท่านพุทธทาสฝึกสมาธิบ้างฝึกลมหายใจนี่กรรมฐานอีกหลายๆลายแห่งปฏิเสธสมาธิเห็นว่าไม่ต้องทำหรอกมีสติแล้วก็เกิดสมาธิเองถ้ามีสัมมาสติจะเกิดสมาธิเองแต่สติที่พวกเรามีมันไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นมิจฉาสติบางคนบอกว่าคำว่ามิจฉาสติไม่มีมีนะลองไปเซิร์ชดูในพระไตรปิฎกมีคาว่ามิจฉาสติจริงๆ สัมมาสติกับมิจฉาสติไม่เหมือนกันมิจฉาสติเกิดจากการกำหนดการเพ่งการจ้องการกำหนดทำด้วยโลภะเจตนามีโลภะเจตนาอยากอยากปฏิบัติก็กำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมหายใจกำหนดอิริยาบถไปเรื่อยๆจงใจกำหนดนะมีโลภะแทรกอยู่เพราะฉะนั้นทำเป็นด้วยกิเลสไม่ใช่ทำด้วยสติแท้ๆสติแท้ๆเป็นความระลึกได้ สติมันระลึกถึงรูปธปรรมนามธรรมาสติทําหน้าที่ระลึกสติไม่ได้ทําหน้าที่กําหนดนั้สติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่าความกําหนดได้สติเป็นความระลึกอะไรทําให้สติเกิดขึ้นในพระพิธรรมก็สอนนะทีละสัญญ า, าคือการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่น หน้าที่เราต้องหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโลภโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้ร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปแทรกแสงให้ตามรู้ไปเรื่อยๆต้องตามรู้นะในสติปัฏฐานท่านถึงใช้คําว่ากายานุปัสนากายานุปัสนาการตามเห็นกายเนืองเนือง เวทนานุปัสสนาการตามเห็นเวทนาเนืองเนืองจิตตานุปัสสนาการตามเห็นจิตเนืองเนืองธรรมานุปัสสนาการตามเห็นสภาวะธรรมเนืองนือตามเห็นเนืองเนืองตามเห็นบ่อยๆมันก็จะจำสภาวะได้แม่นพอมันจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองนะสติจะเกิดโดยไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้กำหนดไม่ได้อะไร้งสิ้นมันเกิดเองถ้าสติตัวจริงตัวแท้เกิดเนี่ย สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิชนิดคณิกะสมาธิก็จะเกิดได้เพราะอะไรเพราะทันทีที่สติเกิดให้จิตจะเป็นกุศลนะจิต ท, ที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในตัวเองความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาอัตโนมัตินะแต่อยู่ชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธินี่บางคน อยากฝึกให้ได้สัมมาสมาธิที่มันลึกซึ้งกว่านี้ก็ยังทำได้อีกด้วยการฝึกเข้าสมาธิฝึกเข้าฌานนะนี่พวกเราละเลยการเรียนกรรมาฐานอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าวางหลักสูตรไว้ให้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าชื่อว่าไตรสิกขาไตรสิกขาแปลว่าเรื่องที่ต้องเรียนสามเรื่องเรื่องศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลทำยังไงจะเกิดความเป็นปกติในกายวาจาใจ เรื่องจิตสิกขาทำยังไงจิตของเราจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานะปัญญาสิกขาทำยังไงจิตที่มีสัมมาสมาธิแล้วตั้งมั่นแล้วจะเกิดปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่บทเรียนมีสามบทแต่บทเรียนที่อาภัพที่สุดนะคือบทเรียนชื่อจิตสิกขาพวกเราแทบจะไม่เคยเรียนเลยนะยกเว้นบางสายบางกลุ่มที่หลวงพ่อพูดมาตะกี้ แต่พอไปเรียนเข้าจริงแทนที่จะเป็นสัมมาสมาธินะส่วนใหญ่กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปอีกละเพราะว่าไม่ได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีสก่อนอยู่ๆก็เชื่ออาจารย์หรือว่าลุยเข้าไปเลยนะไปรู้ลมหายใจรู้ไปเรื่อยรู้เคลิ้มลงไปขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนะอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้มันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะสมาธิประกอบด้วยโลภะมันไม่ใช่สัมมาสมาธิ หรืออย่างบางคนนะพอมีศรัทธาแก่กล้าก็เข้าคอร์สกำหนดเลยนะยกเท้าย่่งเท้านั้นพยายามจะเจริญปัญญาสิกขาแต่ไม่ได้เรียนจิตตสิกขาไม่เรียนเรื่องจิตบางคนประกาศวาท้าด้วยว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตจะเจริญปัญญาเลยนั้นข้ามบทเรียนสำคัญนะัคือบทเรียนของจิตตสิกขาไปถ้าเราไม่ข้ามบทเรียนนียเราค่อยๆเรียนเป็นลาดับไปเราจะเข้าใจว่า จริงๆแล้วจิตชนิดไหนที่ควรแก่การเจริญปัญญาจิตชนิดไหนที่ใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนไม่ควรแก่สมถะและวิปัสสนาเนี่เราต้องเรียนจนเราแจ่มแจ้งตรงนี้หลวงพ่อก่อนที่จะมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อหลีวัดอโศการามพ่อพาไปนะโยมพ่อพาไปไปเรียนท่านสอนให้หายใจสอนอ า, านาปานสติ ก็ทําเรื่อยๆมามันได้แต่สมถะขึ้นมีปั ส, สนาไม่เป็นนะยี่สบเอ็ดยิบสองปียี่สิบอ็ดปีกว่าๆเกือบยี่สิบสองปีทําแต่สมถะไม่เคยขึ้นมีปั ส, สนาเพราะขึ้นไม่เป็นจนอายุยี่สิบเก้าแล้วปีสองห้าไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองจิตเราเนี่ยฝึกสมาธิมาจนชํานาญแล้วพอท่านสอนบอกให้ดูจิตน่ะนะจิตเรามีกําลังของสมาธิหนุนหลังอยู่มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดู มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปแล้วมันก็รู้กายด้วยเห็นร <IS> ่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจมันเป็นคนดูใจมันตั้งมั่นเนี่ยภาวนาอย่างนี้ก็เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนเข้าใจแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนีเข้าใจรวดเร็วเพราะใจเราตั้งมั่นไปดูในพระใจปิดกท่านก็พูดถึงสัมมาสมาธิในแง่ความตั้งมั่นของจิต แต่เราเที่ยวไปดูตามสำนักปฏิบัติทั้งหลายนะครูบาอาจารย์บางสำนักท่านก็ดีนะท่านทําของท่านได้แต่พวกลูกศิษย์บางทีเข้าไม่ถึงสิ่งที่อาจารย์สอนหรอกลูกศิษย์ไปทํามิจฉาสมาธิกันจิตที่ลงไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์แดนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ตั้งแช่เนี่ยไม่เหมือนกันจิตที่ลงไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์นั้นเป็นการเพ่งอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณูพนิชฌานนั่นเอง เวลารู้ลมหายใจจิตจะไหลไปเกาะอยู่ที่ลมเลยแล้วลืมโลกทั้งโลกนี่เหลือแต่ลมหายใจในจิตสงบนะดูท้องพองยุบจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องนิ่งๆลืมทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแต่ท้องเดินจงกรมยกเทา้าย่งางเท้าโลกหายไปเลยเหลือแต่เทา้าคนคนรู้อยรยาบทสี่นะั่นเองมันทั้งกายเลยเนี่ยจิตมันเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์รู้เท้าก็ไปแช่อยู่ที่เท้ารู้ท้องไปแช่ที่ท้องรู้ลมหายใจไปแช่อยู่ที่ลมหายใจ นะรู้อิริยาบทสีแช่มันทั้งตัวเลยนะแต่ถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาแล้วนะจิตเรารวมเข้าไปตรงที่จิตรวมเข้าไปถ้าเราฝึกเต็มรูปแบบนะของสัมมาสมาธิแท้ๆของจิตจิตตสิกขาแท้ๆเนี่ย ต, ตรงที่จิตรวมเข้าไปในปฐมฌานเนี่ยจิตยังไม่มีธาตุรู้ที่บริสุทธ์เด่นดวงเพราะในปฐมฌานยังมีวิตตกมีวิจารยอยู่ ม่มีการตรึกมีการตรองถึงตัวอารมณ์อยู่จิตยังสนใจไปที่ตัวอารมณ์เป็นหลักเป็นะเครื่องผูกมัดจิตให้สงบนี่พอขึ้นถึงฌานที่สองทุติยะฌานเนี่ยวิตกวิจารณ์ดับไปถ้าพูดแบบอภิธรรมมันคือฌานที่3ของอภิธรรมจะเป็นฌานที่สองของพระสูตรเราพูดแบบพระสูตรก็แล้วกันพอขึ้นถึงฌานที่สองวิตกวิจารณ์ดับไปมีปีติมีสุขเอ ก, กคตานะในขณะนั้นจะเกิดองค์ธรรมที่พิเศษ อัศจรรย์ชนิดหนึ่งขึ้นในพระสูตรจะเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะหรือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งในอัธกถาก็าบอกคือสัมมาส ม, มาธินั่นเองเอโกทิภาวะมันก็คือสภาวะที่ใจเนี่ยมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของถูกรู้ถูกดูใจมันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดนะูเนี่ยถ้าใจเราเข้าไปถึงฌานที่สองทุติยฌา น, เ, นเราจะได้เอโกทิภาวะขึ้นมา แล้วถ้าสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรถึงฌานที่แปดอะไรเอโกทิภาวะก็ยังอยู่แต่จะตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนั้นพอออกจากฌานแล้วเนี่ยเอโกทิภาวะนี่ยังทรงตัวอยู่อีกช่วงหนึ่งอีกหลายชั่วโมงหรืออีกเป็นวันวันได้ทรงตัวถ้าฌานนั้นเกิดจากการเดินจงกรมฌานเกิดในการเราเดินจงกรมอยู่แล้วจิตรวมลงไปถึงฌานที่สองเนี่ยถอยออกมาแล้วนี่นะเอโกทิภาวะทรงอยู่ได้นาน พราะงั้นถ้าเราทําสมาธิด้วยการเดินได้เนี่ยกำลังของความรู้สึกตัวนี้จะทรงอยู่นานมากจะนานกว่านั่งเนี่ยสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะเข้มแข็งนี่พอเรามีตัวผู้รู้ขึ้นมาพระป่าท่านจะเรียกตัวผู้รู้นะทันทีที่จิตทรงมีตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหม ใจทรงตัวขึ้นมามีสัมมาสมาธิขึ้นมาปัญญาจะเกิดทันทีเลยจะเห็นทันทีว่ากายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรากายที่หายใจเข้าหายใจออกนี้ไม่ใช่ตัวเรานะกายที่พองที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีไม่ต้องคิดนะแต่จะเห็นทันทีจะรู้สึกทันทีนี่ถ้าเราฝึกเต็มภูมินะเราจะเดินมาอย่างนี้เพราะนั้นกายานุปนะัสสนาหรือเวทนานุปัสสนาก็ตามเนี่ยในอภิธรรมนั่นถึงสอนบอกว่าเหมะกับคนเล่นฌาน กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจะทําได้ดีถ้าเราทําชานแล้วชาญนั้นถ้าจะดีจริงๆต้องถึงฌานที่สองแลหละถ้ามีเอโกทิภาวะมันจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราเห็นนี่ถ้าคนไหนทําชาญไม่ได้นะหัดดูจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกไปจิตมีนิวรณ์ใดๆเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันพอนิวรณ์ดับไปทั้งหมดแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเองนะแต่จะเกิดไม่นานจะเกิดทีลักษณะทีลักษณะนะ แต่ทันทีที่สมาธิเกิดขึ้นที่ลักษณะที่ลักษณะเนี่ยถ้าสติเกิดระลึกรู้รูปรู้กายจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าสติระลึกรู้เวทนาจะเห็นทันทีว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราถ้าสติระลึกรู้ ก, กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นจะรู้ทันทีเลยกลุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะเหลืออันเดียวคือจิตยังเป็นเราอยู่ ต้องดูกันไปนานๆนะเห็นจิตนันเกินดับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะละความเห็นผิดว่าทั้งกายทั้งใจเป็นเราเป็นพระโสดาบันได้เพรนพวกเราอย่าเอาแต่ตั้งแชนะ่ตั้งแช่นะตั้งกันมานานบางคนตั้งหลายปี10ปีย0่สิบ ป, บปนะีมีคุณป้าคนหนึ่งนะมาหาหลวงพ่อภาวนาอยู่ทางเหนือครูบาอาจารย์ก็รับรองว่าเป็นพระอริยะเข้าสมาบัติได้ทีหนึ่งนานๆอะไรเงี้ย วันหนึ่งแกก็พบว่ากิเลสของแกไม่ได้ละไปเลยกิเลสของแกเหมือนเดิมเหมือนปุถุชนอะใชักเฉลียวใจว่าคงไม่ใช่พระอรหันต์นั่นละก็เข้าไปหาอาจารย์ไปกราบเรียนท่านอาจารย์บอกท่านอาจารย์เจ้าค้าดิฉันสงสัยว่ามันจะตนหลอกนาะฝึกมาสี่สิบปีมันไม่ละกิเลสอาจารย์กโกรธความโกรธพุ่งขึ้นมาป้านี่แกเห็นปุ๊บแกรู้เลย อ, อาจารย์ไม่ใช่พระราหันเหมือนกันแหละอาจารย์กโกรธคุณป้านี้ไม่เถียงกับอาจารย์เลยนะอาจารย์โมโหโทโสขึ้นมาคุณป้ารีบขอเข้ามาเลยแล้วลาออกจากวัดมาล่องล่อ ง, ล, องลงมาทางนะมาทางกำแพงเพชรไปเจอแม่ชีผู้เฒ่าคนหนึ่งคุณป้านี้ก็เข้าไปกราบคุณยายคุณยายแม่ชีะบอกคุณยายเจ้าค้าดิฉันสงสัยว่าดิฉันจะถูกหลอกมาสี่สิบปีคุณยายบอกข้าถูกหลอกมาหกสิบปี เพราะอะไรมันละกิเลสไม่ได้จริงนะมันเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิไม่ได้ช่วยละกิเลสสมาธิช่วยข่มกิเลสชั่วคราวนะแต่การที่เราจเจริญสติจเจริญปัญญาอย่างแท้จริงรู้รูปรู้นามอย่างแท้จริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็รู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจคือการเพ่งตัวอารมณ์ อย่างรู้ท้องผองยุบแล้วเพ่งท้องรู้เท้าแล้วเพ่งเท้ารู้ลมแล้วเพ่งลมเนี่ยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าเราใจเราตั้งมั่นแล้วเราจะเห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบนี้เห็นทันทีนะตัวที่กําลังพองตัวที่กําลังยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีไม่ต้องคิดจิตมันจะอยู่ต่างหากจิตกับกายจะแยกออกจากกันการที่จิตกับกายมันแยกออกจากกันนะเรียกว่ามีนามรูปปริเฉทญาณ จิตกับกายแยกออกจากกันไม่ใช่รูปพองก้อนหนึ่งรูปยุบก้อนหนึ่งเป็นนามรูปปริเฉษทะยานนะรูปพองกับรูปยุบคนละอันกันมันก็คือแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามถ้าแยกรูปกับนามก็จะเห็นรูปพองรูปยุบเนี่ยเป็นรูปสักแต่ว่าถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูรู้ลมหายใจอยู่ก็เห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนรู้คนดูนะฝึกสายอาจารย์แนบรู้อิริยาบถสี่ ก็จะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตอยู่ท่างหากเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นไหมฝึกมาจากสำนักไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้ามีสัมมาสมาธิขึ้นมาดูท้องพองยุบเราก็ดูของเราต่อไปใจของเราเป็นผู้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแยกออกมาจากกายนะจะเห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราไปเดินจงกรมยกเทา้ายัา่งเท้าผิดไหมไม่ผิดนะแล้วก็จะเห็นเลยว่าตัวที่กําลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะรู้สึกทันทีว่าไม่ใช่ตัวเรา ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็จะรู้สึกเลยตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นทันทีถ้าใจมันแยกต่หากนะใจมันเป็นแค่คนดูคนรู้สึกรู้ลมหายใจอยู่ก็เห็นตัวที่หายใจไม่ใช่เราอะไรๆก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเนื้อกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนๆกันนะถ้าหลักเนื้อหาสาระของมันถูกต้องแต่ถ้าเนื้อหาสาระไม่ถูกต้องก็ผิดเหมือนๆกันไม่มีดีไม่มีเลวว่ากันหรอกนะพอๆกันทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราไม่ดูถูกกันนะว่าใครใช้กรรมฐานอะไรจริตนิสัยใครเหมาะกับอะไรก็ใช้อันนั้นแหละนะถ้ารู้ท้องพองยุบแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้ท้องพองยุบไปแต่รู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะในพระสูตรจะพูดไปเยอะเลยนะถึงใจที่ตั้งมั่นเนะี่ยท่านบอกว่าใจตอนนั้นนะั้นจะเบาจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะแล้วก็โน้มน้อ ม, อมใจชนิดนี้นะไปเพื่อเกิดญาณทัศนะ ดังนั้นต้องใจที่มีตั้งมั่นมีคุณสมบัตินะใจจะเบาๆใจจะนุ่มนวลใจจะอ่อนโยนใจจะคล่องแคล่วว่องไวถ้าหากพวกเราฝึกภาวนาแล้วจิตของเราหนักหนักแน่นๆแข็งแข็งซึมๆทื่อๆนะชี้ขาดได้เลยว่าทําผิดแน่นอนนะจิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนานะมีความเบามีความอ่อนมีความคล่องแคล่วว่องไวไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำํำนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ซื่อๆนะรู้แล้วไม่แทรกแซง จิตชนิดนี้ตั้งหากเ้วเอาไว้ทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจแล้วเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าจิตแข็งๆขงกระด้างนะยิ่งฝึกแล้วก็ยิ่งเครียดหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนั้นฝึกไปแล้วก็เหมือนผีดิบซอมบี้เยอะนะคนฝึกอย่างนี้นะลองไปดูที่สีทัญญาสิเยอะมากเลยนะไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านะอย่าไปฝึกให้จิตกระด้างอย่างนั้นจิตแข็งแข็งจิตซึมซมใช้ไม่ได้ จิตที่เป็นมหากรุสุรจิตมีความเบาเรียกว่าราหูตาจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตมีมุตุตาคือนุ่มนวลจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตมีกรรมัญญตาควรแกการงานคือไม่ถูกกิเลสครับงำจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่ซึมๆมเสื่องเสื่อมจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ไม่ใช่เจออะไรกําหนดลูกเดียวให้มันดับ นะจิตโกรธขึ้นมาก็กลวนหนอกลวนหนอให้หายโกรธอันนี้ไม่ใช่แล้วนั่นะนะเป็นสมถะกรรมฐานค่อยเรียนนะค่อยฝึกรับเช้ายังไม่ได้ตรวจการบ้าน8ปดโมงพอดีเชิญนโะยมไปทานข้าวนะทานข้าวด้วยความรู้สึกตัวเนะีย่ยทานข้าวด้วยความมาริดอร่อยกําลังจะตักแล้วเพื่อนตักไปก่อนโมโหนะเห็นเอ้ยมีลูกชิ้นจะกินแล้วมันตักไปแล้วแคลนนะให้รู้ทันใจตัวเองนะ จะเข้าซ้วมจะทำอะไรนะให้รู้สึกไปเรื่อยๆฝึกรู้สึกไปนะแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลหรอกรู้สึกตัวไว้ตราบใดที่รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะมีผู้ปฏิบัติแบบนี้โลกจะไม่ว่างจากพระรหันต์จำไว้นะเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ